ม ز ز ไม่บางควรแกนบีคนใดที่เขาจะมีเฉลยสึกไว้จนกว่าเขาจะได้ประหัดประหารสตรูอย่างมากมายในแผ่นดินสียก่ พวกเจ้าต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเล็กน้อยแห่งโลกนี้แต่อลัลลอฮ์ต้องการปรโลกและอลอรนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชามหากว่าไม่มีข้อกำหนดจากอาลัลลอฮ์ล่วงหน้าอยู่ก่อน แน่นอนการลงโทษอันมหันต์ก็ประสบแก่พวกเจ้าแล้วเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเอาดัง น, นั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุญาตที่ดีจากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศิบและพึงจำเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอลัลลอฮ์ น, นั้นคือผู้ส่งอภัยโทษผู้ส่งเมตตาเสมอยาอเยฮ์อันนบีย์กลิมฟีอดีกุมมินัลอสราอีแกลมอัลลาห์ฟีหุบบิคุมขยรย์ยูอัตคุมขยรัมมิมมาอัลฮิดมินคุมวยัฟฟิลลัคุม E โอ้หนุ่มจงกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ในมือของพวกเจ้าจากบรรดาผู้เป็นเฉลยศึกเถิดว่าหากอาลัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามีความดีใดๆในหัวใจของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าค่าถ่ายตัวที่ถูกเอามาจากพวกเจ้าและจะทรงอาพยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภพยโทษ สเเมมตามอและถ้าหากพวกเขาต้องการจะทุจริตต่อเจ้าแท้จริงนั้นพวกเขาได้ทุจริตต่ออัลลอ์มาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้และแลอนนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ อินนัน um الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا بأموالهم وأفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أ و ل ي ا ع والذين آمنوا ولم يهاجروا م ا َ ك ُ م ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن ا س ت ص ر و ك م في الدين فعليكم النصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق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 و ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ه ا ج َ ر ُ و ا و ج َ ا ه َ د ُ و ا فِي سَبِيلِ ا ل ل ه ِวَ ا ل َّ ذ ي ن َ آَوَا و ن َ ص َ ر ُ و ا أ و ل ئ ِ ك َ ه ُ م الْمُؤْمِنُونَ ح َ ق َ ل َ ه ُ م م َ غ ْ ف ِ ر َ ت ُ و َ ر ز ْ ق ٌ ك َ ر ي م ٌและบันดาผู้ที่สัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ในหุนทางของล l l a h และบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้น ชนเหล่านี้แหละคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริงซึ่งพวกเขาจะรับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมากมายลออมิบกกุุ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 ถ้าจริงอลนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง